ขอความสุขความเจริญจงมีด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอพระสูตรในมัชิมินิกายสืบต่อกันมาก็หลายวักด้วยกันเจนได้ว่าพระสูตรในมัชิมนิกายเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยากแล้วก็ยาว กว่าจะจบแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็ใช้เวลาหลายวันเห็นว่าในช่วงนี้จะเปลี่ยนมาที่สังยุตตนิกายสักระยะหนึ่งก็คงตั้งใจที่จะให้มัชฌิมนิกายจบทั้งเล่ ม, มนะฮะแต่ว่าประสูตร ต, ต่อไปนี่จะยากมากยิ่งขึ้นประสูตรแนวมัชฌิมานิกายเป็นพระสูนต์ขนาดกลาง ประสูตรแนวที่คณิกายเป็นประสูตรขนาดยาวแต่ประสูตรในสังยุตยตนิกายนั้นเป็นประสูตรไม่ค่อยยาวหรอกเพียงแต่ว่านําเรื่องเดียวกันมาเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันถ้าเราต้องการจะทราบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยสามารถจะดูเฉพาะเรื่องนั้นได้ ก็ประกอบด้วยพระใจวีดกเล่มที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้าก็หมายความว่ า, าห้าเล่มก็มีพระสูตรถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองสูตรนในพระบาลีบางทีก็เรียกบางทีก็อาจจะไม่เรียกว่าปันช้าเรียงเป็นหัวข้อ แต่เวลาแปลเนี่ยส่วนมากเราจะเอาชื่อมาจากอัตถกากถาก็ทาให้คำแปลเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะชื่อมีชื่อในกรอบขอบคายของคำว่าพระสูตรท่านแปลว่าเพราะบ่งประโยชน์พระมัญญัติอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้ว เพราะเประโยชน์และเพราะหลังประโยชน์เพราะป้องกันด้วยดีและเพราะมีส่วนเสมอดยเส้นได้หมายความว่าเป็นข้อความที่รวบรวมมาร้อยเดียงกันมีบทตั้งมีบทขยายแล้วก็มีบทสรุปในตัวพระใจวบิดกเองนั้นจะสรุปว่าผู้ฟังมีความชื่นชม ในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าในตักถานั้นจะบอกว่ามีใครบรรลุมรรคผลยังไงบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็พูดรวมๆมะนะครับเพราะว่าคนฟังแต่ละชุดนี่คนข้างยาวคนข้างเยอะจะไปนับชื่อคนอยู่ก็คงไม่ได้ไประสุนในบวดแรกเนี่ยเรียกว่าส ก, กาทวัค คือวักด้วยเป็นวักด้วยพระคาถาล้วนๆผลข้อความบางทีก็หน้าเดียวก็เป็นพระสูตรแล้วหรืออาจจะไม่ถึงหน้าเนี่ยก็เป็นพระสูตรครับผะการจะรู้ว่าพระคถ า, าเนี่ยพระคถ า, าคือข้อความก็สั้นจริงแต่ว่ามีนัยยะในวิจิตพิสดารมากในการต่อมาในระบบการึกษานักธรรม ตลอดทุจระบบการเทศเราก็เอาพระคาถาพวกนี้มาเทศแต่ว่าจะไม่เอามายาวๆโดยส่วนมากจะใช้สองบรรทัดหรือว่าหนึ่งบรรทัดอย่างมากนี่ก็แป่แปดก็ไม่ค่อยไหวแล้ว ม, มันเทศไม่ทันเวลามันไม่ให้ผมก็จะเอาสะพอสักหนึ่งสองสามุทเทศคือสองสามประเด็นหรือ ว, ว่าหนึ่งประเด็นนี่ประเด็นหลกักประเด็นรอง หรือไม่งั้นก็จะเอาสักสองสประเด็นหนึ่งก็มีประเด็นหลักและประเด็นขยายก็มีประเด็นรองเพราะว่าการอธิบายนั้นจะต้องอธิบายขยายความให้สมบูรณ์ในเชิงที่เป็นเนื้อหาพร้งภาษาหรือตัวพยัญชนะที่ใช้สื่อเนี่ยบาง ท, มทีมันมีการขยายเยอะ ฉัสมมติเราพูดอนิจจังคําเดียวเนี่ยมันพูดไม่ได้เป็นคําที่จะต้องไขความจะต้องอธิบายจะกําหนดกรอบขอบข่ายของว่าอะไรเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังมันไม่ใช่พูดว่าอนิจจังทั้งหมดถ้าทั้งหมดมันก็ต้องบีบประเด็นแต่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่ใช้ได้แต่ถ้าพูดว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงนี่ไม่ได้ โล ก, กของคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันคลุมได้ทั้งส่วนที่เป็นโลกแล้วก็ส่วนที่เป็นธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นโลกุตตระธรรมคือมันคลุมได้ทั้งหมดแต่พอเราใช้คำว่าธรรมะข้าวเนี่ยปรากฏว่ามันคลุมได้ คุมได้ไปจนถึงเฉพาะกลุ่มของโลกเกียธรรมแต่นิพานเนี่ยเป็นของเที่ยงนะนิพานไม่ใช่ไม่เที่ยงเพราะคุมนิพานไม่ได้แต่ถ้าใชาก้กรรมธรรมะแล้วจะคุมได้ตอนถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตนะว่าเวลาทรงแสดงไจรักเกจะทรงใช้คำว่าสั ง, าาสงขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา คนรอกมั้งคว่าอนัตตาเลยก็กว้างกว่าคําว่าอนิจนจังทุกขังอนิจจังทุกขังมันเป็นโลกิยะแต่ว่าอนัตตานั้นเป็นได้ทั้งโลกิยะและก็โล ก, กุตระก็ในคนละความหมายกันหมายความว่าที่เป็นโล ก, กุตระก็เพราะว่าเราไม่สามารถบังคับควบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ แล้วก็ขัดแย้งกับความเชื่อที่เป็นอัตตาตัวตนตามลทัทธิเทวานิยมทั้งหลายในขณะดเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรจริงๆมันเพียงได้สมมติบัญญตัติแต่ใ น, นความหมายของพระนิพพานเนี่ยหมายถึงว่างจากตัญหามนาทิท่จ ที่เราพูดว่านิพพานังปรามังสุญญ์ยังนิพพานเป็นสภาพที่ว่างอย่างยิ่งไ อ, อง้คำว่าสภาพก็ต้องยืมภาษาเอานะฮะเพราะก็จริงก็ไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันถ้ารงสุดในสังยุตตนากายที่จะนํามาเสนอเนี่ยก็คงจะไม่พูดด่าไปเพราะบางสุวอาจจะยากเกิ น, นไปแต่สังยุตตนิกายที่จริง ส ก, กาตาวักเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นคำถามของเทวดาเทวดาในวุฒิภาวะสูงนะสติปัญญาเขาสูงเวลามาถามคำถามนีพระเจ้าตอบนิดเดียวก็เข้าใจแล้วแล้วเทวดาก็หายไปแล้วคือไม่ต้องไปอธิบายขยายความอะไรเป็นพิเศษมากๆอย่างชาวบ้านทั่วไปเป็นไว้แต่ในบางกรณีนะฮะ ผมก็จะนำศึกษาแนวสังยุตนิกายเป็นสักระยะหนึ่งเพื่อให้ท่านผูกฟังได้ศึกษาติดตามก็ว่ากันตามความจริงพระไตรปิโกก็คืออริยสัตนะคือพูดสักร้อยปีก็เป็นอริยสัจอยู่นั่นแหละไม่อื่นไปจากอริยสัจแต่ว่าเราก็หยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาพูดหรือนยินยัดใดนิยัดหนึ่งขึ้นมาพูด ในภาคสนามเนี่ที่จริงเขากระทบกระเทือนถึงกันหมายความว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยคือกิเลสลดลงความทุกข์ลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความสุขเพิ่มขึ้นมันจะมีลดอยู่สองอย่างแล้วก็เพิ่มสองอย่างถ้าปฏิบัติถูกต้องถ้าปฏิบัติผิดมันก็เพิ่มสองอย่างลดสองอย่างเหมือนกันคือหมาความกิเลสเพิ่มขึ้นกวาทุกข์เพิ่มขึ้น ธรรมะลดลงแล้วความสุขลดลงลดลงแรงจนถึงกับตกนรกกรเวจีไปเลยหรือว่าถ้าทุกข์ลดแรงจนหมดทุกข์ไปเลยหมดกิเลสไปเลยก็เป็นพระอาหารหันต์ไปเลยก็เรียกว่าสุดขั้วด้วยกันน่ยอกุศลก็นําไปสู่สุดขัด้วเลย ตกนรกเวจีมหาเวจียาวนานมากไม่รู้จะนับยังไงเหมือนกันแต่ว่าบรรลุนิพพานเนี่ยเป็นนิรันดร น, นะฮะไม่มีการเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปเป็นการยุติสังสารวัตรด้วยประการทั้งปวงประสุดแรกเนี่ยถือว่า ม, มีประเด็นที่ ท, ท, ที่ควรทำของใจที่จริงก็คล่อนงยากเหมือนกันกก น, นะคระับประสูะศแรก เรียกโอคตาระนัสสูตรคือพระสูตที่ว่าด้วยวิธีข้ามโอคัคโอคัคในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสนะฮะหมายถึงชื่อของกิเลสก็เป็นการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเข้ามาเรียกก็คือกระแสน้ำอาจจะเป็นแม่น้ำอาจจะเป็นหมหาสมุทรหรืออาจจะเป็นลำคลองขนาดใหญ่ โดยอาศัยการพัดหมุนของสิ่งต่างๆที่ตกลงไปในแม่น้ำในลำคลองตลอดทึงในมหาสมุทรในขณนะดเดียวกันก็มีภัยมีอันตรายในแม่น้ำใหญ่ในมหาสมุทรตรนี้จึงมีหลักในการนำมาอธิบายธรรมะเยอะมากแต่แล้วแต่จะหยิบประเด็นอะไรมา แม้แต่เรื่องปลาทั้งหลายเนี่ยมาเป็นครูสอนธรรมะได้เยอะกระแสน้ําก็สามารถเป็นครูสอนธรรมะได้น้ําบนกระแสนครื่นแต่ความใสความขุ่นข้นอะไรต่ออะรของน้ําเนี่ยออกมาสอนได้ทั้งนั้นนะฮะตลอดถึงเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นพวกอปโปกสินก็สามารถจะพิจารณาได้ แล้วก็มองในแง่น้ำที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปคือพวกน้ำที่เราเหยทั้งหลายเนี่ยเราอาจจะต้มน้ำไว้บนภาชนะแล้วเปิดฝาแล้วก็ดูพิจารณาในแนววิปัสสนาก็ได้ในสมถะก็ได้คือสรุปว่าธาตุสีนี่มันเป็นครูเยอะมากๆ กลุ่มของทุกขษัตริ์ทั้งหลายที่เป็นอารมณ์กรรมาฐานนี่ก็อยู่ในกรุงธาตุสีคือเป็นธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วแถมอากาศถ้าธาตุก็ไปด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันกระจความว่าครงหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันก็มีเทวดาองค์หนึ่งมากราบทูลพระพุทธเจ้าคือเทวดาเนี่ย เทวดาตามปกติแล้วถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือมักจะพูดไปแนวว่าพระราชาหมหากาัตริย์ท่านเสร็จภารากิจแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าคือพูดเรื่อยอันนี้ก็แสดงว่าพูดเรื่อยคือมีปากให้พูดก็พูดไปเรื่อย แ, แสดงว่าก็าแปลกที่จริงคนเหล่านี้ก็พูดได้ทุกเรื่องนะฮะคนรักราชการว่าเรานี่เก่งมากๆเขาพูดได้ทุกเรื่อง คือเม่คอคยมานึกถึงองค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลักษณะทางสังคมลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตแบบแผนของยุคสมัยตรงนั้นแหละมันเป็นยังไงคือนครหรือว่าเมืองหลวงของนครรัฐทั้งหลายสมัยนั้นฮะมันจะอยู่ภายในแวดวงของกำแพงเราดูประเทศเราก็แล้วกันเนี่ย เมืองเก่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือว่าโคราชอยุธยาลพบุรีอะไรล่ะพิศนุลโลกนครศรีธรรมราชเมืองทั้งหลายเนี่ยมันมีกำแพงมานั่นนะนครรัฐสมัยก่อนเนี่ยนะเพราะก็จะเปิดจะมีทวารบาลก็เทวารบาลพวกนายประตูเฝ้าพอค่ำแล้วก็ปิดละ แล้วก็รุ่งสางจึงเปิดเพราะเราเห็นว่าวัดเนี่ยมันจะอยู่นอกเมืองอย่าพระเจ้ตนะาวันก็อยู่นอกเมืองนะครับพระวิรวันก็อยู่นอกเมืองนอกกำแพงเมืองนิโครธารามเองก็อยู่นอกกำแพงเมืองเพราะนั้นพระราชาเองก็ข้าออกไม่ได้ก็จะคนในห้ามออกคนนอกข้ามข้าวถ้าจะออกได้ก็ในกรณีที่มีข้าศึกมารุกรามพระนคร แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการขวดทรายเทน้ําร้อนหรือยิงด้วยลูกศร อ, อ, อกมาก่อนเือเขาจะไม่ เ, เปิดประตูไวรคคร้รบกลางคืนหรอกเันาะเทวดามากเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ไม่ใช่พระราชามาเฝ้าพระพเจ้าในตอนเย็นนะครับแล้วก็ต้องรีบกลับก่อนที่เขาจะปิดประตูเมืองทำํำมาอย่างนั้นเละยุ่งเลย ย่างในกรณีที่เกิดปฐมเหตุให้พระที่อยู่ในชมพูทวีปสี่พันวั น, นอาบน้ําได้หดหนึ่งเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเนี่ยเนื่งองจากาพระท่านอาบน้ําที่ตะโพธารามกันนานแล้วก็พระท่านก็ถือว่าท่านเป็นสมณะสักยบุตรเพราะท่านก็ถือว่าท่านเป็นมนานะกษัตริย์เหมือนกันเวลาอาบน้ําท่านก็ไปอาบในชั้นที่กษัตริย์อาบก็คือชั้นเหนือสุดว่ากษัตริย์พราหม์แพทยสุตรนะครัาอาบอาบรดลันกันลงมา ตอนเมื่ อ, อพระซึ่งถือว่าเป็นเองเป็นกษัตริย์ด้วยไปอาบอยู่เนี่ยพระยาพิมพิสารก็แม้เสด็จออกมาเพื่อจะอาบก็ไม่กล้าต้องรอให้พระท่านอาบเสร็จก่อนแต่กว่าพระจะอาบเสร็จตั้งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเน่พระเยอะเนี่เวลาก็ข่ำโผล่เพลจนข่ำไปเลย กว่าพ ร, พระราชาจะสงสนานเสร็จจะเสด็จเข้าวังก็ปรากฏว่าประตูเมืองปิดและเปิดไม่ได้ละ่ะนายทวารบานเขามายอมเปิดออกพระย า, าก็เลยต้องไปผักกับชาวบ้านแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดมีการปลุกระดมขึ้นในกรุงราชคุครแล้วก็เป็นเนพระเจ้าทรงบัญญัติพระวินยัยผลเทวดาในที่นี้คือเทวดาเป็นอุปัตติเทพจริงๆเลยเทวดาจริงๆเลย แล้วเป็นเรื่องของเทวดากับพระพุทธเจ้ามนุษย์ไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวคือคนอย่างเราในธรรมดาไม่มาเฝ้าหรอกไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเทวดาไม่มาพบเราบ้างอย่างเงี้ยเขาไม่มาหรอกเพราะว่าในแง่ของเทวดาแล้วบอกว่าโลกมนุษย์มันเหม็นเข้าไปทางนาสิเทวดาห่างจากโลกเนี่ยเข้ามาสู่บรรยากาศโลกร้อยยอเนี่ยกลิ่นเมดเหม็นในโลกมนุษย์เ mm hmm. ข้าถึงแล้ว ทุกวันนี่คงเห็นมากกว่านั้นนะฮะมุลพิธมันเยอะเลยพระเทวดาข้ามออกเฝ้าจึงมาในตอนมัชชิมยามแห่งราตรีตอนนี้ท่านอธิบายถึงภารกิจของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันเนี่ยไว้เป็นห้าช่วงด้วยกันทุกนึงก็คือปุปันเทศ์ปินทะปาตันจะเวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต สายันเหตธรรมเดชนางตอนเย็นก็ส่งแสดงถามเลยตั้งแต่จาเช้าถึงเย็นเนี่ยมีเวลาเยอะนะตรงเนี้ยจะมีคนข้ามมาเฝ้าแบบกระปิดกระปล่อยมีเรื่องอะไรแต่ออไรต่างๆคือคือไม่ลงตัวแน่นอนเอเวลานั้นเวลานี้เวลาโดนเนี่ยมันมันไม่ลงตัวเดี๋ยวตรงเนี้ยเอาเฉพาะเวลาที่ลงตัวคืองานของพระมันก็เป็นงานที่แปลกอะเป็นงานที่ค่อนข้างหยุมหยิม คนมาคนไปคนนั้นก็มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้ น, นสมมุติเราอัดเทปเนี่ยเรื่องมันจะซ้ําเยอะมากอถามทําไมต้องพูดซ้ำล่ะปัญหามันซ้ําอะปัญหามันซ้ําพระก็ต้องพูดซ้ำเดี๋ยววันก่อนไปขอเทปอาจารย์พูดหมกฟังต่อไปดาวันก็ให้มาประมาณห้าสิบม้วนถามว่าทําไมไม่อัดไวมากอะแกบอกว่ามันสุดใหญ่มันก็ซ้ํา แต่มาก็เคยไปไปพักอยู่ที่วัดท่านวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งก็คืนหนึงในวันนั้นอ่ะก็นั่งสังเกตใกล้ๆพิกุติท่านนะนั่งดูคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกทั้งวันเลยแลคุยก็เรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกอนั่นแหละท่านก็พูดเรื่องซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่นั่นแหละฝนสะ อ, อาดเดี๋ยมันได้หลายหลายมวนเทปอะแต่ว่าเนื้อหานี่มันซ้ํำวัน รำมเทศนาต่างๆก็จะมีลักษณะอย่างนั้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเอาไปเอามาก็คือคืออริยสัจแต่ว่ามันจะเน้นในมิติอะไรจะพูดเรื่องอริยสัจในมิติอะไรจะเน้นที่ทุกเน้นที่สมุทยัยเน้นที่นโรกหรือเน้นที่มรรคแต่ว่าพอรู้พอรู้อริยสัจเนี่ยมันเขาจะเป็นอันเดียวกันอย่างที่บอกเนี่ย ลดสองเพิ่มสองก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเราเร า, เราอยู่กลุ่มไหนเราอยู่กลุ่มเพิ่มสมุไทยก็แสดงว่าทุกเพิ่มนะฮะธรรมะ ก, ก็ลดมาร ก, ก็ลดนิโรธก็ลดแต่ตอ น, นี้ถ้าเราปฏิบัติไปตามกลุ่มมรรคนิโรธก็เพิ่มมรรคก็เพิ่มนะสมุไทยก็ลดทุ ก, ก็ลดอันนี้คือสูตรเลยถ้าไม่เห็นอย่างนั้นถือว่าผิด ไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติไปกิเลสยิ่งเพิ่มพันสายิ่งมากกิเลสยิ่งเพิ่มสมมณสัก์ยิ่งสูงกิเลสยิ่งเพิ่มนีนแสดงว่าเธอสอบตกแล้วแล้วก็ระวังตอนตายด้วยกันแล้กันเพราะฉะนั้นเทวดาในทีน่นี้คือเทวดาตามปกติแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าอันตรธานจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง ไอ้เทวโลกมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านไม่ได้บอกแล้วแต่ว่าไกลลิบล้นถุดที่จะนับได้เปลี่ยนแต่ว่าเป็นการมาด้วยกายทิพย์มันก็คล้ๆกับความคิดอะความคิดที่ปลายจมูกของเรากับความคิดที่ดวงประอาทิติเราคิดได้เท่ากันมันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเวลาเผลกันมากันไปของเทวดาเนี่ยมันประดุดพริกขวามือหรือว่าดีดนิ้วมือ หรือว่าอุดใจอ่ะมันแคแค่อึดใจเดียวตัดไปแล้วเพราะเวลาเฝ้าเสร็จถามบัญหาเสร็จตอบเสร็จตัดเทวันธาญิอันตรทานไปเลยหายไปเลยเป็นคลื่นลมหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไปบิมาณของท่านอ่ะแต่ว่าท่านมาจากไหนเราก็ไม่รู้เพราะเทวดามาถึงก็ตามธรรมเนียมเทวดาเนี่ย ก็กลางคืนสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าคอนข้อความจ ะ, จะใช้เหมือนกันแบบมงคลสูตรอย่างที่คุณคณเนี่ยเปล่งรัศมีให้เป็นที่ให้ที่ประทับสว่างด้วยรัศมีแล้วเข้าใกล้ที่พระพุทธองค์ประทับถวายพิพาฒน์แล้วยืนเฝ้าอยู่ในที่อันสมควรคือเทวดาเนี่ยเป็นเรื่องแปลกยังไม่เคยพบเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนั่งแต่พระ ม, มีเขาดั่งนะฮะ พรมในเขานั่งแต่ว่าเทวดาแปลกคือไม่นั่งพระตาถาาจารย์ท่านแก้ต่างให้ท่านบอกว่าที่เทวดาที่ไม่นั่งเนี่ยเพราะท่านต้องรีบกลับรีบมาแล้วก็รีบไปที่ท่านมาเนี่ยมาด้วยกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าที่รีบไปเนี่ยท่านเหม็นกลิ่นมนุษย์เลยก็รีบไปทำให้เป็นคนที่รีบมารีบไปเลยไม่นั่ง ทำปรทักษินร้อยแต่เจ้ายืนถวายบังคมและทูลถามพอตอบปั๊บอันดาทานปุ๊บในประศุทธนี้แปลกกว่าเพี้นคือไปถามซ้ำตามปกติแล้วตอปบปั๊บก็เข้าใจปุ๊บเลยนะแต่พอดีพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเจตปรยานคือรู้สภาพจิตมนุษย์เทพทั้งพรมทั้งมารแต่างๆรู้สภาพจิตมันคิดยังไงก็ ทรงเห็นว่ามันท่าทางมันจริงๆมันมีอหังการเยอะมากแล้วท่าทางคําถามของท่านก็ค่อนข้างเบ่งนะฮะท่านถามว่าพระองค์ข้าโบคะลได้ยังไงมันมันมันใกล้ๆ ก, ก, กับพูดไม่มีน้ําเสียงลักษณะพูดไม่มีหังเสียงคุจารับสั่งว่า อุโสตถาคตไม่หยุดไม่พยายามข้ามโอคาได้งงเลยงงเลย <c oughs> คือพูดได้งงไงต้องการจะกำราบต้องการจะกำราบเขาเรียกว่าน ah ิกญาหมุขเทศนาเป็นเทศนาที่ต้องกำราบสักกันมันคล้ายๆกับเราเอาไม้ไม้สูงมาทำเฟอร์นิเจอร์นี่ฮะเราเห็นว่าจะต้องปรับวิธีเยอะกำราบเยอะเลย ว่าที่เราจะเอามาทาเฟอร์นิเจอร์ได้พระเทวดาเหล่านี้คันผา ม, มันมันมันมันกระด้างอะ่ะพูดกับผู้เจ้าผู้ใดยังไงอย่างเี้มันมีอะไระแสดงนำความมาหน่อยก็ไม่ได้แต่ลักษณะเหล่านี้คือบางทีเราเราอ่อนประชดไปไปหรือเราลืมจารีบนะเคยไปที่ห้าจังหวัดภาคใต้ตามเสด็จสน็จประสังคราต เรวก็ไม่กล้เตือนแลแต่เาก็ถือเออก็แปลกนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ทาา่านก็เกษียณกันหมดแล้วกราบทูลสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลหมาสังขยายกทรงทราบกระหมอ่มอบมอบ้างก้าวกระหม่อมบ้างกันแล้วแต่คือตามปกติแล้ว กราบทูลต่อพระผักเนี่ยเขาไม่ออกพระนามนะฮะเขจะใช้สถานะหรือกราบทูลฝ่าพระบาททรงทราบพอแล้วก็รกเราก็พูดกับท่านหรือ้าพูดกับพระเทราผู้ใหญ่ขอข อ, ขอประทานกาบเรียนประเด็ชประคุณปเจาประคุณโปรดทราบก็รู้กันอยู่ คือไม่ต้องไปเรียกชื่อเราไม่ได้ชื่อแต่เวลนี้ท่านทๆก็เรียกกันทุกแข่งกันะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกออกไปก็น่าฟังและก็น่าคิดไว้อย่างนายกปรตรีที่ข่าวทังสุพิมพ์ก็เสนอกึนเหมือนกันนะฮะที่จริงไม่ต้องบอกละฮะพันตำโรวจโทดรพันตำรวจโรทรทักษิณมังกรใสพันธุดรพันตำรวจโททักษิณนายกรประธิเราก็พูดเฉพาะตําแหน่งอ่พูดนายกประธิใครๆก็รู้แล้ว หร enfin, so ję, ือว่าอ้างพระราชดำรัตอ้างพระราชดำรัตถ้าพระราชดำรัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องบอกพระนามรู้กันอยู่พระบรมราชวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องใส่ภูมิพลอดุลเดชไม่ต้องใส่รู้กันอยู่แต่ถ้าพระองค์อื่นเนี่ยต้องบอกเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยดีจรีงเยอะแต่ว่าปัฐบันก็มีองค์เดียว่องค์เดียวแล้วก็ ในสมัยโบราณเนี่ยตามปกติเราก็ไม่เรียกพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวเราก็เรียกพนามของกษัตริย์ในอดีตอันนี้เราลองสังเกตนะฮะว่าว่ามันมันเราสังเกตจะค่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยค่อยตัวามแบบมีความกระด้างพอแล้วก็ใช้กำลับพอตถาคตไม่หยุดไม่พยายามข้ามโอคาได้มีโอคานี่คืออะไรโอคาะนี่ กิเลสที่เป็นดุดห่วงน้ำมันก็คือกิเลสอะ่ะมันแต่ว่าพัดผันจิตใจของบุคคลเมื่อพัดผันจิตใจได้มันก็ดึงกายดึงวาจาดึงพฤติกรรมของมนุษย์ได้หมุนวนไปตามกระแสของมันแล้วเลื่อนไหลไปตามกระแสของโอฆ่ะคือห้วงน้ำคือกิเลสตัวเนี้ยมันก็แบ่งออกเป็นสี่แต่ปกติถ้าเรียกโอฆ่ะก็คือจะเรียกสี่ กามโมคะห่วงน้ำคือกามกามในที่นี้หมายถึงกิเลสกิเลสเป็นเหตุ ใ, ใกล้ๆอะพวกอาจจะราคะอาจจะโลภะอาจจะฉันทะกามาฉันทะอาจจะรตัติอาจจะอะไรก็ตามคือพว ก, กิเกประเภทคว้าเข้ามาหาตุนต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของต้องการครอบครองแล้วก็มีมากๆหาข้ อ, อยุติไม่ได้ว่าเมื่อไรจะพอละ คนก็หาข้อยุติไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือคือทำยังไงวะสังคมไทยเนี่ยพวกนักเขียนนักเขีย น, นวรนิยายทั้งหลายเนี่ยเลิกแยงมโนดุลสติได้ไหมส่งเสริมให้คนคิดช่วยตัวเองต่อสู้ปัญหาชีวิตหนังสือบางเล่มเนี่ยเราอ่านเนี่ยเราก็ไม่รู้ไอคนนี้มันมีอาชีพอะไร ทำไม mm hmm. มัน้วยนะักหนาไม่เห็นทํางานทําการอะไรก็มีเท่านั้นแหละทาไมไม่ไม่ในคิดสร้างสารรค์ส่งเสริมความคิดให้ให้ให้มนุษย์ได้คิดมั้งบะกสู้ชีวิตยังไงหกล้มหลุกลุกยังไงนะแม้แต่ละเมงละครที่เขาพูดเนี่ยเออก็แปลกอะ่ะชอบแย่งมอดกตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้แย่งแต่มอดกกันตานี่พ่อปอสนะ่ะลูกด็อกเตอร์เรามาแย่งมอดกของคนปอสี่มันเรียนหนงสือไม่ได้งไง ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความคิดเลยไม่ส่งเสริมพัฒนาการในความคิดตัวแก่มนุษย์นั่นคืออะไคื อ, ค อ, คบบอการบุคคมันแรงอ่ะมันแรงก็ก็ระ บ, บายความรู้สึกตัวเองอะอยากจะได้มรดกแบบลอยลอยนะไม่ต้องทําหากินอะไรนั่งบนกองเงินกองทองเสร็จแล้วพอตายปับ๊บครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยแต่นิสัยแบบนี้นิสัยแบบนี้ถ้าเราลองดูมาพวกนะคนรัฐทั้งหลายในสมัยโบราณเนี่ย คือบางทีแกครอบครองหมดแม้แต่สนมของพระราชบิดากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยครอบครองหมดเลยแม้แต่สาวสารกำนันในของพระราชบิดาบางบางองนะฮะที่ที่ยังเด็กนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่เราก็เห็นเออภายใต้าการพัดหมุนของกิเลสประเภทเนี้ยมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรไหลไปตามกระแสของ โอเคคือห้องน้าคือกรารผลผ้นี้ก็คือกรารมาตัญหาเพราะว่าตัญหานั่นแหละแต่เขาพูดในมุมของห้องน้ำเป็นการมองในแนวเนี้ยก็พยายามที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเขาเขาได้คิดให้มันต่างจากคนที่เขาพูดพู ด, พด เ, เพื่อความทีบาให้เห็นว่าไอ้สิ่งี่เขาปฏิบัติผลของปนาธิบัติคือผลของการที่คนไม่ฆ่ากันเนี่ย มันเป็นเนื้อหาของวิชาการอะไรในสังคมศาสตร์ระวองอย่ามองแค่แค่แค่ศีลนะฮะว่ า, าการที่คนอยู่ร่วมกันโดยไม่ฆ่ากันเนี่ยมันเป็นทั้งนิติศาสตร์เป็นทั้งรัฐศาสตร์เป็นทั้งคมศาสตร์เป็นทั้งจิตวิทยาเป็นทั้งศึกษาศาสตร์เป็นทั้งเศรษฐศาสตร์โอ้เป็นหมดละสรุปแล้วคือคนไม่ฆ่ากันตรงนี้ ไม่พยายามมองอ่ะเพราะว่าโลกมันมีชีวิตก็ไม่มีชีวิตอย่างที่เคยพูดไว้เสมอเนี่ยคือถ้าเราจะพยายามจับพยายามจับพยายามทําความเข้าใจแล้วก็เรื่องก็ไม่น่าจะรุงรังอะไรเท่าไหร่อันการบุคคลมันก็หมดแล้วอะไรก็ไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้มันก็พัดหมุนคนไปได้ทั้นนั้นแหละบางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นเรื่องอะไรล่ะคือถ้าโง่มากเราเห็นว่านี่ซื้อหวย พระนอนในโรงบอกหวยซื้อเงินเงินหนึทองแล้วก็ไปด่าวพระหมดทั้งประเทศหมดทั้งโลกเลยแล้วพระเดี๋ยวนี้ใบหวยพระรูปนี้ใบหวยนะคุณมาพูดว่าพระเดี๋ยวนี้ใบหวยแดงอันนี้คือคื อ, ค, อคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ก็ไม่รู้จวั า, าไรไงนะผลมาเกิดมาจากกิริยาการโมคะแล้วพาวะค่าภบวะค่าที่จริงก็คือพราวะตันหาแต่พูดในกรณีที่มันพัดหมุน จุดกระชากลากลูดถูกกลางสูญเสียการทรงตัวลากไปผ่านพบชาติต่างๆไปแล้วก็ทิฏโขฆาโขฆคือทิฏฐิตัวนี้หมายถึงความเห็นที่ผิดว่าไม่ผิดประเภทต่างๆนะฮะคือนามาอธิบายมันยาวแต่สรุปความเห็นผิดที่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากทํานองครองธรรมทั้งหลายเนะี่ยวันนี้จะรู้สึกน่ากลัวว่าความคิดในสังคมเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานนะ หนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเนี่ยเราอ่านได้ทั้งหลายคอลัมน์อนะแต่ในบางทีก็รู้สึกเสียดายตังค์แล้วก็เปลี่ยนหนังสือพิมพ์มหลายฉบับแล้วยังไม่มีหนังสือพิมพ์อะไรที่เราอ่านสักประมาณสักสามสิเปอร์เซนตในเล่มเนี่ยแสามสิเปอร์เซ็นตนี่ยังไม่เคยเลยมันอะไระคือมันมันมันลักษณะอารมณ์嘛 ลักษณะอารมณ์แล้วก็ไม่ไม่คิดโดยชาเหตุผลปีนี้วางแผนก็บอกนักศึกษาเป็นยายเอกไปแล้วแล้วก็กำลังทำให้ให้บันฑิตวิทยาลัยเขาเอาเอกสารพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สี่ฉบับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตั้งแต่ปศสองพันสี่รอยสี่สิบห้าปศร้อยยิบเอ็ดเนี่ยก็ ให้ท่านเหล่านี้มาศึกษาแล้วมานั่งถกเถียงสมทนากันแล้วยกร่างปฏิรูป ป, ปฏิรูปพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดูซิให้เธอเป็นทั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติแล้วก็เป็นทักฎสตรีกาแล้วก็เป็นเป็นทั้งาณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นทั้งรัฐสภาทั้งสามวาระเลยแล้วให้ออกมาหนึ่งเล่มยี่สิบคนทํามาหนึ่งเล่ม ก็เริ่มให้ให้ให้เขาศึกษาจะไม่ใช้วิธีรายงานลองคิดดูจีลองคิดดู ท, ดดที่ให้เป็นนักคิดบุกเบิ ก, บกมิติใหม่ขึ้นมาแล้วข้อวานตัวตายเนี่ยจะซักนะนะเราประเด็นของแต่ละประเด็นที่ที่เธอตั้งไว้เนี่ยซั ก, กว่าบริหารยังไงแล้วมันจะเกิดผลดีผลเสียยังไงแล้วกัของเก่าเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันหรือเหมือนกันอะไรคือเป้าหมายเราจะเห็นว่า ถ้าเรานำเรื่องเหล่านี้มาอภิปรายมาตั้งประเด็นปัญหาเนี่ยรัฐมนูลที่เกี่ยวกับศาสนาสองมาตรานี้พังเลยนะฮะเพราะปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วยิ่งสร้างปัญหาเลยก็ฝึกลองลองเราคิดดูนะเพราะงั้นเราเราเห็นว่าทิช ท, ทิทิชโถฆาเนี่ยมันก็อีกแหละแต่และอย่างเนี่ยมันจะนำจิตปนุษย์ให้ไหล ที่โตคะบางระดับบางบางทีท่านก็จัดเข้ากลุ่มใ น, ในกิเลสประเภทโลภะเหมือนกันนะฮะเราเราจะเห็นว่าคือคื อ, คอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนอื่นก็เห็นอย่างนี้ถ้าคนอื่นก็เห็นอย่างที่เราเห็นเราจะชอบแต่ถ้าไม่เห็นอย่างที่เราเห็นเราจะโกรธแต่ว่าความเห็นที่ผิดเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องโมหะเพราะงั้นก็เป็นได้เป็นได้ทั้งสองกรณีแต่เป็นคนละจังหวะสังสามการณีนั่นแหละแต่ว่าคนละจังหวะกันแล้วก็สรุปรวมที่อวิชชา อวิชาก็คือความมืดบอดมันก็เจอบ่อยนะอวิชาเจอบ่อยเทวดาเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยกราบทูลถามกราบทูลถามว่าที่รับสั่งเนี่ยไม่เข้าใจปุจจารับสั่งว่าเมื่อหยุดเสียก็ชื่อว่าจมเมื่อพยายามก็จะเลยไปนะอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่หยุดไม่พยายามจึงข้ามโอคาได้คือคือข้อนี้จะต้องเข้าใจนะฮะว่า ในการก้าวไปในที่ใดที่หนึ่งเนียเพื่อจะไปในที่ใดที่หนึ่งนิพานมันก็มันพัฒนาการทางจิตชั้นสุดยอดก็เหมือนในการเดินทางของจิตเมือม่อเมื่ อ, ค, อคือคือแคถามตอนตอนตอ น, ต, อนตรงข้าบกขาแล้วอนะฮะหมายความข้ า, ขาบโบกขาพอถึงก็ก็หยุดแต่ว่าก่อนหนะ้านั้นมันมันไปหยุดไม่ได้มันจะไม่ถึงทีงนี้ถ้าเลยไปก็ก็ไม่ถึงเหมือนกัน เพราะนั้นพระพระุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าไม่หยุดไม่พยายามอย่าลืมประเด็ น, นนะฮะประนมันมีความตักกระส่ามันมีความไม่ตักกระส่าอยู่คือหมายความว่าเขาถามในขณะนั้นพระพุทธเจ้าในขณะนั้นน่ยส่งข้าวโอข้ า, าได้แล้วเพราะในขณะนั้นพระองค์จึงไม่หยุดแล้วก็ไม่พยายามนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ย คือท่านบอกว่าพวกนี้จะมีลักษณะของอุเชทิฐิอุเชติติเนี่ยก็ถือว่าหยุดแล้วก็สัตตะทิติเนี่ยก็ถือว่าพยายามพยายามไปก็เป็นความเห็นที่คล้ายๆกับไม่พยายามก็ไม่ถึงพยายามก็ไม่ถึงหยุดอยู่ด้วยสัตตะทิติชื่อจุ่ม นะเพราะอะไรเพราะว่าเศตษฐาิตาินี้ก็มีอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อถือว่าทุกอย่างมาลงตัวเนี่ยเราเกิดเป็นคนแล้วตายกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นคนนายดําขาเป๋ตาเล่เกี่พ่อกี่ชาติก็เป็นนายดําขาเป๋ตาเล่พยายามมาทําอะไรจมหายไปเลยเหมือนกันทีนี้ถ้าว่พยายามด้วยแรงผลักดันของอุเฉตทิติมันก็ขัดสูนนะเพราะพวกนี้จะไม่ทำบาปไม่ใช่จะไม่ทําบุญเหมือนกัน จะไม่ลาเว้นบาศจะไม่ทำบุญแม่แกันราถือว่ามันทุกอย่างมันขาดศูนย์หมดอ่ะมันขาดศูนย์เลยก็ไม่ได้จะทำยังไงแต่วประศุนนี้ยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นนะฮะคื อ, ค, อคือควรตทำความกระจ่ายเพราะว่าประเด็นที่ซ้ำเนี่ยเราจะไม่พูดต่อแล้วก็จะพูดเฉพาะประเด็นที่ไม่ซ้ำประเด็นที่ซ้ำเราก็จะมีการทบทวนแค่นั้นเองเพื่อก็เรียกว่า พระสุตหนึ 1, ่งจะใช้ไม่เกินสองครั้งทามันยาวๆนะฮะถ้ามีระยยาบเสดานเนี่ยก็จะไม่เกินสองครั้งเพื่อให้ท่านผู้ฟังมองเชื่อมต่อกันได้ก็อย่างที่ได้ประรบกับยาโดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะซึ่งการทำรายการนี้เป็นการทำในวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายน ก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้พบกับพลเอกเสรีปุกกรมานหรือดรรัชนี orn, พรภุกยาพรปุกการมานหรือแม้แต่คุณผู้หญิงที่อะไรคุณยุบดีบุญบุญคลองยังไม่ได้พบกันนะฮะเพราะงั้นยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรก็ขอเล่าถึงเรื่องบุญนิธิว่าตระมาศูนย์ส่งเสริมเนี่ย เราเริ่มตั้งจริงๆเนี่ยตั้งเมื่อวันที่29วันที่3ตุลาคมพศ2529ตอนนั้นก็ทา ง, งานมาสองปีก็มีเงินนะมีเงินอยู่ยอดหนึ่งแลยก็ตั้งเป็นมูลนิธิในชั้นแรกเนี่ยเราตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาก็ในสุดก็เปลี่ยนเป็นมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กำหนดวัตถุประสงค์จากเนื้อหาเดิมแต่ว่าเขามีการประชุมแล้วเขาขยายความหมายความว่าความคิดเรื่องศูนย์นี้มันเป็นความคิดความมาคนเดียวแล้วเราก็หาในร่วมเพิ่มทีหลังแต่ทีนี้พอผู้ใหญ่ท่านมาร่วมกันมากๆเนี่ยเราก็ปล่อยเป็นอิสระท่านจะคิดร า, า, งงดารขึ้นมาอย่างไงคิดวัตถุประสงค์ขึ้นมาอย่างไงว่าไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไร เราเข้าใจเนื้อหาก็แล้วกันเขียนยัง ไ, ไงก็เขียนนี่เถอะเราสามารถปฏิบัติได้เพราะนั้นมาจะไม่ขัดแย้งอะไรกับใครในประเด็นตัวเนี้ยพร้อมที่จะฟังได้ตลอดเพราะเราเข้าใจเนื้อหาของเรื่องเราสามารถจะใช้คําคําเดียวเนี่ยทางานอะไรก็ได้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเราจะครองแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแก่ปราชนชาวสยามกันในหลวงนี่ประโยคเดียวทำงานได้ร้อยสองรอปีสามพันปีก็ได้เลยไม่เห็นแปลกอะไร ทำได้ตลอดนะฮะเราจับประเด็นให้ได้ว่าครองแผ่นดินโดยธรรมยุติโดยธรรมเป็นธรรมเที่ยงธรรมประกอบด้วยธรรมทุกเรื่องอะไรก็ไม่รู้รูปแบบเป็นยังไงก็ได้แต่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่มาชนชาวสยามเป็นพอเพราะงานตรงนี้สรุปว่ามันจะอยู่ในกลุ่มของการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การดูแลรักษาศา ส, สนาอยู่ในกลุ่มนั้นแหละ วัาในตราสารที่วัตถุประสงค์โดยสรุปนี่ก็ใช้คําเพียงว่าสิบทอดเจตนาดมของบรรพบุรุษไทยในการทํานุบํารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาทางด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปสู่ชาวโลกอย่างมีระบบและเป็นไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นภาษาชาวบา้านเลยในชาติเราเป็นภาษาชาวบา้านเขามายกร่างกันที่วัดมหาธาตุมาไม่รู้หรอก ตอนตอนเขายกกร่างเราก็เห็นเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราอ่านแล้วก็คือเนื้อหาเดิมคือคือที่จริงแนวตราสารแนววัตถุประสงค์เนี่ยอย่างกองทุนใจรัตนานุภาพการธรรมเนี่ยข้อความมันบรรทัดเดียวเพื่อการศึกษาการเผยแผ่การพิทักษ์ความมั่นคงของพระพุทธศาสนากรอบมันครอบจั ก, กรวาลการศึกษาเราก็ไม่ระบุว่าเป็นการศึกษาของพระของเนนหรือของเด็ก ของนักเรียนของทหารตำรวจเราไม่ว่าอะไรจัดการเองก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกก็ได้เผยแผ่ก็เหือนกันเป็นเอกสารก็ได้ออกวิทยุก็ได้ออกโทรทัศน์ก็ได้สนับสนุนการเขียนหนังสือของบุคคลอื่นก็ได้ทําให้เราทํากว้างแล้วก็พิทักษ์ความมั่นคงพุทธศาสนามีทุกรูปแบบอะไรก็ได้ให้เป็นเกิดความมั่นคงแก่พุทธศาสนาก็ได้กันเพราะตปกติแล้ววัตถุประสงค์นี้เขาจะไม่เขียนยาวเขาจะเขียนสั้นๆ มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพุทธภาสิทธ์เหมือนกองพุทธเจ้าใช่ไหมฮะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรณ์ประชิมพุทธพจน์ทนน่ะมันก็ไม่มีอะไรที่ที่ทจะบกพร่องไปเลยประโยคเนี้หมายความว่าถ้าเราทําความไม่ประมาทให้สมบูรณ์เนี่ยคือยูยังมีสติทีนี้ความไม่ประมาทที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นพระอรหันนะฮะ ถ้าคนยังไม่บรรลุผลเป็นพระหันไม่มีใครที่สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเพราะอย่าลืมมาอับประมาทเนี่ยอับประมาทโดยมาตั้งประดังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายคนไม่ตายคือต้องไม่เกิดแต่ถ้ายังเกิดเดี๋ยวมันต้องตายเห็นไหมว่าประวิตรลำดับนิดเนี่ยวมันทัดสั้นๆไม่ถึงบรรทัดหรอกหนังสือแปดหน้ายกยไม่ถึงบรรทัดแต่ความเนี่ยมันครอบคลุมรูปศีลสมาธิปัญญาหรือการไม่ทําบาปการทําบุญการทาจิตของแผ่พระองค์เจ้าจะสั้นๆ แล้วแต่ว่ากรอบขอบข่ายนี่จะกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่สามารถที่จะหลุดรอดจากตรงตรงนี้ไปได้กรอบตรงนี้ไปได้ตำนองพระพุทธคุณหรือตำนองอริย ส, สัจสีนั่นเองท่านังทั้งหลายและการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศ ร, รีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูตรในธรมรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี